ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย 26 เมษายน 2533 เป็นวันบันทึกแต่ท่านจะ ผมจะคิดว่าผู้พูดเก่งมากไม่กลัวผีความจริงถ้าเป็นความรู้สึกตามนั้นให้ท่าน เมสัยของผู้พูดมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเดินข้างหน้าคําว่าถอย คำนี้และอีกคำหนึ่งก็มีว่าคำว่าไม่สามารถใน <c oughs> ไม่ใช่ไม่กลัวกลัวถ้าถามว่ากลัวแล้ว ที่กล่าวมาแรกข้างต้นไม่ใช่ว่า คนโบก็ไม่มีอะไรมากนอกจากหวายตีผีเขา เขาก็มีความรู้สึกอกกระสุนมากก็มีความรู้สึกว่าผู้พูดนี่เป็นบ้า เมื่อเธอล้อเธอเล่นมันไม่มีผลล้อเธอเล่นมันไม่มีผลต่อมาก็มา <c oughs> แต่บางคนทีเดียวอาจ <c oughs> <c oughs> กรรมฐานนี่ใช้กันได้ 24 ชั่วโมงเวลากินข้าวอารมณ์ก็เป็นกรรมฐานอาหาริปฏิโครสัญญาเวลาที่จะคุยกับ อนัตตาในที่สุดเค้าก็ตายแล้วก็ตายมีสภาพเช่นเดียวกันกรงความ สมาธิที่จะทรงตัวอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ก็เป็นอุปจาระสมาธิ <c oughs> เย็นท่านผู้อ่านท่านๆเลยฌานโลกีย์นี่ รู้สึกมีน้ำหนักของกำลังใจมีน้ำหนักของ เมื่อไม่ต้องระวังเกรงว่าฌานจะหลุดฌานจะพ้นฌานจะ 3 หรือ 4 จนชินคําว่าชิน แม้สภาพปัญญานั้นเหมือนกันทําให้ความรู้สึกกับเป็นอรหันต์จะมีความรู้สึกเหมือนกันและไม่ไม่สารอารมณ์มันดับความรักสนระวังเพศก็ดีความโลภอยากรวยก็ดีความโสดก็ดีความ แต่นี้ตัวอย่างมีมั้ยตัวอย่างมีในสมัยพุทธเจ้าเมื่อขณะที่ทรงฌานโลกิยะงั้นอารมณ์แน่นไม่รม ต่อมาก็กลายเป็นว่าชันมันเคลื่อนตัว ความอยากจะร่ำรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นแม้แต่ช่วงขณะหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วความอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วกิเลสความและความหลงไหลในร่างกายคือเมื่อเป็นโผล่ขึ้นมาท่านมีความสงสัยตัวเองว่าการพยายามก่อนตน <c oughs> <c oughs> จะการอุตริกมหาสัตธรรมมั้ยพระเภสัชกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตรัสว่าไม่เป็นอุตริกมหาสัตธรรมเพราะความเข้าใจผิดนี่เรื่องของ <c oughs> 2 <c oughs> คนเข้า เวลานั้นเวลาหัวค่ําประมาณ 2:00 น. พุ่มพ่อปายกําลังตะบันหมากฟันถ้าไม่มีกําลังตะบันตะบันหมากอยู่ 2 คนความจริงประตูเค้าใส่กลอนแล้วเข้าไปเรือน ร่างกายแกงสาว 2 คนเข้าไปกราบไป 2 ต้นบ้านถึงก็พัง विमान ฉันไม่มีเออเอ้ยเพิ่ง นี่เป็นสัพพคุณพระปานท่านท่านบอก 2 ต้นเจ้าค่ะวิมานแห่งแปดอยู่ที่ต้น เทวดาต้นไม้นางฟ้าต้นไม้เต็มเธอเห็นว่ามีเทวดาหรือนางฟ้าไปอาศัยมั้ยที่ วิมานของเธอไปก็ได้มั้ยเธอก็บอกว่ายิน ในเมื่อพระภาณอนุญาตแล้วเธอ <c oughs> <c oughs> ขึ้นถือว่าเทวดาหรือนางฟ้าคืออารมณ์ตัดความเลวของจิตคือ <c oughs> แต่ถ้าเวลาที่ทำบาปก็มารู้ชอบรู้เหตุรู้ผลว่ากรรมใดที่เป็นอกุศลคือคือ ค่าที่เราเคยรักที่เราเคยเคารพแค่นี้เป็นต้นเครื่องความเค้าจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า <c oughs> 3 รุ่นก็ไม่กลัวคําว่าไม่กลัวอะไรคือไม่กลัว คราวนี้ก็อย่าคุยฟังว่าจะขึ้นนึกพระครูบาอาจารย์ดีนะลูกศิษย์มันดีไปตามทั้งหมดไม่ อย่าหากิเลสถามนรกลง คนมันอยากจะไปสวัยก็ให้มันมีความสุขมากๆอยากจะลงนรกก็ให้มันลง ไอ้ที่เลวแสนเลวมันก็ไม่ก็ก็มีที่ <c oughs> <c oughs> คือดีเกินไปถ้าถามดีเกินไปอย่างนั้นทําไม <c oughs> <c oughs> ไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็กลัวผู้ฟังจะหลงคิดว่าลูกศิษย์คนพูดน่ะดีทุกคนความจริง ต้องดูการสะสมดูเอาดูเหตุผลเป็น <c oughs> อย่างกับผู้พูดนี่ก็หาเป็นตัวตนถ้า <c oughs> เวลา 15 วันโขด 15 วันเค้าโกนหีก็โขด 2 คนถ้าเป็นคนมีหี 3 องค์ แกก็ตอบว่าไม่มีอะไรเห็นท่านชอบผู้หญิงท่านก็เลยมารูปกับท่านก็บอกว่าถ้าเธอลูกคําพระเนี่ยมันบาปนะท่านบอกฉันไม่ลูก <c oughs> ถ้าจิตใจอยากจะประกอบการงานอย่างท่านสาวสาวชอบคุณให้กันร่ํารวยชอบเห็น เราจะนึกในเมื่อเห็นว่าท่านไม่เป็นพระฉันก็คิดอยู่ว่าไอ้บ้านของฉันมันก็ ตัวทั้งด้านไหลลงมาถึงปลายเท้าก็ได้ถามเธอว่าถ้าอย่างงั้นทําไมพระไม่โดดกอดเธอล่ะเธอก็ตอบว่าถ้าเขาท่าน แค่รูปรูปแค่วันวันแรกก็รู้สึกจะแกร่งทนอยู่วัน 3 โดดลงมาข้าง ตอนนั้นฉันเธอก็ตอบว่าฉันมีความศึกอยากให้ท่านขึ้นมาถ้าถามว่านางฟ้าใช่กําลังดลใจหรือเปล่าเธอก็บอกปราณีพิศคิดว่าถ้าพระ เธอก็ตอบว่าเธอก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเออเอาก็ <c oughs> ก็ตอบเธอว่าเวลานี้กิเลสฉันยังไม่หมดนะเธอสองคนนั่งข้างหน้าฉันนี่ฉันยังรู้สึกว่าสวยนะเธอ ถามว่าเธอคุยกับฉันนี่แม่ใหญ่เห็นมั้ยเธอตอบว่าเห็นแจ๋วกําลังนั่งยิ้มๆอยู่นั่น ถ้าฉันเผลอในเรื่องกามารมณ์อะไรเธอเตือนทันทีฉันเผลอเรื่องเรื่องทรัพย์สินในความโลภะมาลัยให้เตือนทันทีถ้ากําลังใจโหดเหี้ยมขึ้นมาให้เตือนทันทีด้วยความผงกับตัวเกิดมาเธอเตือนได้ทันทีเธอก็ยกมือ นิ่มนวลจริงๆสวยวางได้ชื่นตาชื่นถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็แล้วก็ไม่มานี่เพราะมายังไม่บวชก็ไม่เห็นมาก็ยัง ขณะที่เธอจะเข้ามาหาเนี่ยแต่เธอทันอย่างนี้อันดับ หลังจากนั้นก่อนจะหลับก็บอกเฉยๆถ้าท่านไม่เห็นตัวก่อน 6:05 น. น, น, นให้ เป็นอันว่าตั้งแต่เวลานั้นพระธรรมหมายก็มีความสุขว่ามีเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนรูปร่างหน้าตาก็สวยวาจาก็ธรรมดา แต่ถือว่าเป็นธรรมดาก็คิดในใจว่าเอาเรื่อง คิดนึกถึงภาพพระพุทธเจ้า 3 ที่องค์สมเด็จพระผู้มี ภาพนี้ 24 ชั่วโมงถามว่าไม่ลืมแล้วขอยอมรับว่าไม่ยอมลืมได้ ให้มันก็กลัวมันจะก็สู้แต่ขามมันก็กลัวเอาละบรรดาท่าน